พุทธศาสนาที่พวกเราเคารพนับถือเริ่มสายศรัทธาเป็นเหมือนกับบริษัทขายประกันขายประกันอยู่สองชนิดด้วยกันคือประกันภัยกับประกันชีวิตประกันภัยก็คือภัยของจิตใจไม่ใช่ภัยของร่างกาย ภัยของร่างกายนี้าศาสนาพุทธไม่คุ้มครองต่อให้ให้พ้อยพระให้อะไรก็ตามก็ยังร่างกายก็ยังจะต้องพบกับภัยต่างๆอยู่แต่ภัยที่พูดถึงนี้คือภัยของจิตใจจิตใจที่มีาศาสนาคุ้มครองจะไม่ไปพบกับภัยของจิตใจที่มีอยู่สี่ชนิดด้วยกัน คือหการไปเกิดเป็นเดรัจฉานสองการไปเกิดเป็นเปรต 3. การไปเกิดเป็นอสูรกายและ 4. การไปตกนรกนี่คือภัยของจิตใจของพวกเราที่ศาสนาจะคุ้มครองถ้าเรายอมจ่ายเบียรประกันเบียรประกันก็คือการละการกระทำบาปทั้งปวง นี่คำสั่งคำสอนของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะมาปรากฏอยู่ในยุคใดสมัยใดจะขายประกันอันนี้เหมือนกันทุกๆทุกๆพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราพระโคโดมก็จะขายประกันไผ่คือจะสอน ให้พวกเราละการกระทำบาปทั้งปวงใน อ, นอนาคตที่จะมาข้างหน้าต่อไปคือพระพุทธเจ้าองค์ต่อต่อไปก็จะมาสอนเหมือนกันสอนให้ละการกระทำบาปทั้งปวงหนึ่งในสามข้อด้วยกั น, ห, นหัวใจของคำสอนหัวใจของพระพุทธศาสนา มีอยู่สามข้อใหญ่ๆข้อที่หนึ่งก็ละการกระทำบาปทั้งปวงอันนี้เป็นการประกันภัยป้องกันไม่ให้จิตใจตกต่ำแล้วก็มาประกันชีวิตด้วยการสอนให้สร้างุสร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มาเกิดก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายนั่นเองนี่เรียกว่าประกันชีวิตนับประกันไม่มีวันตายอีกต่อไปถ้าสามารถชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้สามารถสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อมได้ถึงจะสามารถที่จะ อไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายนั่นเองนี่คือการขายประกันของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะปรากฏขึ้นมาในยุคใดสมัยใดพระพุทธศาสนาจะสอนจะขายประกันเหมือนกันทุกๆพระองค์ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยจะสอนเหมือนกันหมดนะดังในพระโอวาทาปฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในวันมาคบูชาที่จะถึงนี้สั บ, บ, บปาปัสสะากาลานังกุสละสูปสัมปทาสาจิตตะปะริโยดะปะนังเอตัมมังกัลโมตัมัง ให้ไม่ใช่เอตมังเอตมังพุทธศสะสนังเอตังพุทธศสะสนังนะนะแปลว่าให้ละกายกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนะพราะเป็นความจริง เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยความจริงที่เกี่ยวกับจิตใจของพวกเราถ้าไม่มีคำสอนเหล่านี้จิตใจของเราจะไม่มีวันพ้นจากการไปเกิดในอบายได้จะไม่มีวันพ้นจากการที่จะต้องกลับมาตายอยู่เรื่อยๆได้นี่คือความสำคัญของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสั่งคำสอนที่อมะตะ ที่ไม่มีการเวลามาเปลี่ยนแปลงได้เพราะสัตว์จะทำความจริงของจิตใจของพวกเราเป็นอย่างนี้จิตใจของสัตว์โลกทั้งปวงที่ยังไม่ได้รับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะต้องมีการไปเกิดในอบายกันอยู่เรื่อยๆถ้ามีการกระทำบาป ดังนั้นถ้าพวกเราไม่อยากจะไปเจอภัยของจิตใจเราก็ต้องซื้อประกันภยัยประกันภัยนี้ถูกกว่าประกันชีวิตนประกันชีวิตนี่แพงกว่าอเพราะว่าปฏิบัติยากกว่าและมากกว่านั่นเองประกันภัยนี้ก็เพียงแต่ให้เราลาการกระทําบาปทั้งปวง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 นอกจากการดื่มสุรายาเมาที่เป็นอบายามุกแล้วก็มีการเล่นการพนัน <clot. S 1> การเที่ยวเต่การคบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรและความเกียดคร้านการกระทาเหล่านี้อบายามุกเหล่านี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราไปทำบาปกันได้ง่ายถ้าเราไม่เสพอบายามุก การจะไปทำบาปนี่ยากกว่าแต่ก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำบาปยังมีเหตุอย่างอื่นที่ทำให้เราทำบาปกันได้เช่นเวลาลูกแก่โทสะลูกแกโลภะลูกแกโมหะก็จะสามารถทำบาปได้ถ้าใครมาพูดมาทำอะไรให้เราโกรธเราก็อดที่จะพูดคำหยาบไม่ได้ เลออดที่จะไปทําร้ายร่างกายหรือชีวิตของเขาไม่ได้อันนี้เรียกว่าโลโลุลูกแก่อํานาจของความโลภความโกรธความหลงซึ่งในชีวิตเราพวกเราคงไม่มีใครปฏิเสธบางวันอยู่ดีๆก็เกิดอาการคุ้มข้างขึ้นมาอยากจะฆ่าอยากจะตบอยากจะตีบางวันก็อยากจะเอาทรัพย์ของคนอื่น บางวันก็อยากจะไปยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นอันนี้ไม่ได้เกิดจากอบาเยามุกเกิดจากอารมณ์ถ้าเผลอไปมีอะไรไปสะดุดเขาไปกระตุ้นอารมณ์ขึ้นมาก็จะเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแต่อย่างน้อยก็ยังดีดีกว่าให้อย่างอื่นมากระตุ้น อบายามุขนี่เราป้องกันได้เราหยุดได้เราห้ามมันได้เราอย่าไปให้มันมากระตุ้นให้เราไปทำบาปได้ถ้าเราดื่มเชอราจะทำให้เราไม่มีสติพอไม่มีสติเวลาเราเห็นอะไรไม่ถูกใจไม่วไม่พอใจเราก็อาจจะไปทำไปพูดไปทำอะไรไม่ดีกับสิ่งนั้นได้ ไปด่ากันไปว่ากันไปทะเลาะวิวาสแล้วเดี๋ยวก็ไปทุบตีกันทุบตีกันเดี๋ยวก็พังพลาก็ไปฆ่ากันได้ขับรถดื่มสุราเมาแล้วไปขับรถอก็ไม่สามารถควบคุมรถได้อย่างเต็มที่พอมีเหตุกระทันหันก็อาจจะยับยั้งไม่ทันหยุดไม่ทันก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดการเสียหายทางทรัพย์สินและทางร่างกายนี่คือโทษของสุราสุราทำให้เราไม่มีสติยับยั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายใน ใ, นใจของเราถ้าเราไม่ดื่มสุราเวลาเกิดมีอารมณ์ขึ้นมาที่ไม่รุนแรงเราก็ยังพอควบคุมได้พอห้ามได้ คนเมากับคนไม่เมานี้มีกิริยาอาการต่างกันคนเมานะั่ยมักจะมีกิริยาน่าเกลียดหน้ากลัวคนไม่เมานี่จะไม่มีกิริยาอาการน่าเกลียดหน้ากลัวนี่คือโทษของการดื่มสุรายาเมาจะทําให้เราต้องไปทําบาปต่อไปนอกจากนั้นโทษของสุราก็ยังมีต่อร่างกาย ดื่มสุราแล้วจะทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคภัยต่างๆโรคตับโรคไตโรคอะไรทางต่างๆนี้มีสุราเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้คนที่ดื่มสุราเป็นอา จ, จินนี้มีชีวิตสั้นและมีสุขภาพที่ไม่ดีดังนั้น ถ้าเราไม่อยากที่จะต้องเจอภัยทั้งทางร่างกายและทางจิตใจก็อย่าไปดื่มสุราเลิกดื่มสุราเถิดมีแต่เสียไม่มีได้เสียสติเสียสุขภาพเสียร่างกายเสียเงินทองแล้วก็เสียเวลาแทนที่จะเวลาไปทำงานทำการก็ไปดื่มสุราเดี๋ยวก็ถูกไล่ออกจากงาน ถ้าไม่ไปทํางานตามปกติเดือดร่มสุราแล้วเมาบางทีตื่นเช้าจะไปทํางานก็ไปไม่ไหวปวดศีรษะทําให้ขาดงานบ่อยๆเมื่อขาดงานบ่อยๆก็อาจจะถูกเขาไล่ออกจากงานได้ทําให้เสียรายได้เสียรายได้แล้วยังต้องเสียทรัพย์ไปซื้อสุรามาดื่มอีกมีแต่เรื่องเสียทั้งนั้น ทำไมไม่คิดกันถ้าไม่ดื่มสุรานี่ได้ประโยชน์หลายอย่างได้สติได้สุขภาพได้อายุยืนยาวนานคนที่ไม่ดื่มสุรานี้อายุจะยืนยาวกว่าคนที่ดื่มสุราได้สุขภาพไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยไม่ต้องไปรักษาบ่อยเพราะร่างกายจะแข็งแรง จะมีเงินทอง เ, อเงินทองไม่สูญเปล่ า, าแล้วก็มีเวลาไปทำงานทำการเอาเวลาไปทำงานทำการมีไรายได้เพิ่มเนี่ยคิดดูการกับเดิมโซราเป็นแบบนี้แล้วไปดื่มมันทำไมเดิมแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คืออบอายนั่นแหละเวลาเกิดอาการมึนเมาขึ้นมา ก็จะไปทำบาปสี่ข้อนี้พูดปดแล้วก็ประพฤติผิดประเวณีรักทรัพย์หรือทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วก็ทำลายชีวิตของผู้อื่นถ้าไม่ดื่มสุลาแล้วก็จะปลอดภัยจากการกระทำบาปก็ไม่ต้องไปอบายสุลาเรียกว่าอบายมุก มุกแปลว่าทางเข้าประตูอบายก็คือที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานของเป็ดของอสุรกายของนรกนั่นเองถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบา ย, ยมุกไปเสพอบา ย, ยมุกก็เท่ากับไปยืนอยู่ที่ประตูของอบายการจะเข้าอบายมันก็เลยง่ายอยู่ปากประตูแล้วเนี่เดี๋ยวแพ๊บเดี๋ยวมีเหตุอะไรก็ฉุดเข้าไปเลย พอ เ, เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาก็ทำบาปแล้วก็จะไปใช้บาปในอบายต่อไปอ น, นี่คือข้อที่หนึ่งอบายามุขการดื่มสุรายามเมาข้อที่สองการเล่นการพนันการเล่นการพนันนี้ไม่ช้าก็แล้วก็ต้องเสีย ถ้าเล่นแบบเป็นอาชีพเป็นเล่นแบบไม่หยุดไม่หยอ่อนเนี่ยมันจะต้องหมดเนื้อหมดตัวเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นมือที่เก่งพวกที่เขาเก่งนี่เขาเขามีวิธีโกงที่เราไม่รู้กันเวลาเราไปเล่นกับเขาถูกเขากงเราก็หมดเนื้อหมดตัวได้ เวลาเล่นใหม่ๆเขาจะให้เรากําไรก่อนพอเรากําไรเราก็เลยเหลิื่อมั่นใจพอได้มากพอได้กําไรก็อยากจะได้มากเพิ่มขึ้นก็จะเล่นต่อไปพอเล่นต่อไปทีนี้เขาจะให้เราเสียแล้วพอเสียก็อยากได้คืนก็ต้องเล่นต่อพอเสียไม่มีเงินเล่นก็ต้องไปขายทรัพย์สินเอ ขายข้าวของเงินทองต่างๆแม้แต่บ้านที่ดินก็อาจจะขายต่อไปถ้าอยากจะได้คืนก็จะไปเล่นไปขายทรัพย์สินเดี๋ยวก็หมดเนื้อหมดตัวเขาว่าขโมยขึ้นบ้านนี่ยังดีกว่าการเล่นการพนันเพราะ ไฟไหม้บ้านก็ยังดีกว่าการเล่นยังไม่ร้ายแรงเท่ากับการเล่นการพนันเวลาขโมยขึ้นบ้านขโมยก็เอาแต่ทรัพย์สมบัติไปเท่านั้นบ้านไม่ได้เอาไปที่ดินไม่ได้เอาไปด้วยเวลาไฟไหม้บ้านก็ไหม้แต่ทรัพย์สมบัติกับบ้านเท่านั้นแต่ยังมีที่ดินเหลืออยู่แต่ถ้าเล่นการพนันแล้วมักจะเสียหมด เสียทั้งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเข้าของเสียทั้งบ้านเสียทั้งที่ดินาะจะต้องเอาไปขายเพื่อมาเล่นเพื่อที่จะได้เอาเอาคืนมาให้ได้ใ น, ในส่วนที่เสียไปนี่คือภยัยพอไม่มีเงินที่นี่ก็ลาบากแล้วนี่ก็ไม่รู้จักหาเงินโดยวิธีถูกถูก ถูกต้องหรือถุกสุดจริตวิธีง่ายที่สุดก็คือวิธีไปทำบาปไปโกหกหลอกลวงเพื่อไปยืมเงินยืมทองเข้ามาแต่ไม่มีโอกาสที่จะไปใช้เขาหรือไปขโมยเงินของผู้อื่นมาใช้หรือถ้าร้ายกว่านั้นก็ไปป้นไปจี้แล้วก็อาจจะต้องมีการต่อสู้กันก็อาจจะต้องฆ่ากัน ไม่ฆ่าเขาก็ถูกเขาฆ่าตายได้ น, นี่คือโทษของอบายามุกการเล่นการพนันข้อสามการเที่ยวเตะก็เหมือนกันเที่ยวเตะก็มีแต่สูญเสียเงินทองไม่มีรายได้เวลาเที่ยวมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้ไม่เหมือนกับเวลาไปทํางานไปทํางานนี้ไม่มีรายจ่ายมีแต่รายรับ แต่ถ้าเอาเวลาไปเที่ยวแทนที่จะไปทำงานก็จะมีแต่รายจ่ายเดี๋ยวเงินทองก็หมดพอหมดก็ต้องไปทำบาปกอที่สี่ก็อย่าไปคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรคนที่ขชอบอบายามุขเวลาคบกับเขาเป็นมิตรเขาก็จะชวนเราไปทำสิ่งที่เขาชอบนั่นเองเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุรา เขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันเขาชอบเที่ยวเต่เขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตะ่งนั้นการคบคนชอบอบายามุกเป็นมิตรก็จะถูกให้เราเราก็จะถูกฉุดไปเสพอบายามุกนั่นเองยังนั้นให้ควรเด็กเลี้ยงคนที่ชอบอบายามุกถ้าต้องคบกันก็คบแบบอย่าให้เขาฉุดเราไปคบแบบเป็นการไม่ให้เสียมารยาท แต่ถ้าเขาจะดึงให้เราไปดื่มสุราไปเล่นการพนันไปเที่ยวเราก็ต้องปฏิเสธไปถ้าเขาไม่อยากจะคบกับเราก็ควรจะดีใจเพราะคบคนแบบนี้มีแต่จะขาดทุนมีแต่จะเสียเนื้อเสียตัวเสียทรัพย์เสียข้าวของเงินทองยั้นถ้าเขาไม่ยินดีที่จะคบเรากอา็อย่าไปเสียใจเราควรจะดีใจ เพราะเราไม่อยากจะคบเขาอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคบกับเขาแล้วมีแต่มีแต่เสียหายไม่มีไม่มีการได้ประโยชน์แต่อย่างใดและข้อสุดท้ายก็คือความเกลียดคร้านถ้าเกลียดคร้านก็ไม่ไปทำงานไม่ไปหาเงินหาทองเมื่อไม่หาเงินหาทองด้วยวิธีการทางานก็จะไปหาเงินทองด้วยการไปขโมยนั่นเอง ไปลักทรัพย์ไปหลอกลวงผู้อื่นอันนี้พยายามกาจัดสิ่งเหล่านี้ถ้ามีอยู่ในตัวเราเพราะมันจะเป็นเหตุที่จะพาให้เราไปทำบาปได้ง่ายความเกียดค้านี่เราต้องกําจัดด้วยความขยนันต้องบังคับให้มันไปทำงานถ้าเรียนหนังสือก็บังคับให้มันไปโรงเรียนอย่าขี้เกียจเรียน พะถ้าขี้เกียจเรียนแนจะเรียนไม่จบเรียนไม่จบแล้วต่อไปเวลาไปทำงานจะหางานยากหางานที่มีรายได้ต่ำและเป็นงานที่หนักก็จะถ้าเป็นคนขี้เกียจก็จะทำไม่ไหวก็จะเปลี่ยนเป็นอาชีพมิจฉ า, าชีพไปไปทําอาชีพที่หาเงินง่ายได้เงินมากนไปค้ายาเสพติดไปไปค้า สิ่งที่ผิดกฎหมายต่างๆอันนี้อย่าให้ความขี้เกียจมันเข้ามาพยายามบังคับให้เราทำหน้าที่ของเราถ้าเรามีหน้าที่ไปโรงเรียนก็ไปเรียนเมีหน้าที่ไปทำงานก็ไปทำงานบังคับมันถ้าขยันเรียนก็ต่อไปก็จะเรียนจบสูงๆ เ, เวลาหางานก็จะได้งานดีๆรายได้ดี งานก็เบาเพราะไม่ต้องใช้แรงงานใชแ้แรงสมองใช้มันสมองใช้ความคิดเนี่ยอ น, นีคือเรื่องของความเกียรติการเรื่องของอบายามุขทั้งห้าที่พระธเจ้าทรงสอนว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระทําบาปแต่ยังไม่เป็นตัวที่พาให้ไปเกิดในอบายอบายามุขนี้ยังไม่ได้เป็นบาปแต่เป็นตัวที่จะฉุดให้ ใจไปทําบาปต่อไปได้ง่ายเพราะว่ามันจะถูกบีบบังคับให้ไปถ้าไปเสพะบายามุกแล้วลอยทั้งลอยนี้จะต้องไปทําบาปต่อไปอย่างแน่นอนอนี่คือรลากการกระทําบาปทั้งปวงเป็นเบี้ยรประกันภัยถ้าเรารักษาศี่ห้าได้ละเว้นอบายามุกได้ พระพุทธเจ้ารับประกันว่าจะไม่ต้องไปเกิดในบายอย่างแน่นอนแต่ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เพราะว่ายังมีเหตุที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายถ้าไม่อยากจะตายก็ต้องซื้อประกันซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนา าการชีวิตของพระพุทธศาสนาก็คือให้เราสร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ให้เราชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ต้องทาความดีต่างๆความดีนี้จะสนับสนุนให้เรามีกำลังที่จะมาชำระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปนั่นเองและการทําความดีนี้ก็จะ ทำให้เราได้ถ้าเรายังไม่ได้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรายังไม่สามารถกําจัดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวดึงให้เรากลับมาเกิดมาตายอยู่เรื่อยๆได้อย่างน้อยเวลาเราตายไปเราก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์กันไปท่องเที่ยวในสวรรค์กันไปพักผ่อนหย่อนใจในสวรรค์ก่อนที่จะลงมาเป็นมนุษย์ แล้วก็มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปเออ่อมาทำบุญทำทานออมาทำความดีต่างๆออแล้วเราก็จะได้ออไปชำระจิตใจได้ออทำความดีรักษาศีลออไม่ทำบาปศีลเราก็จะเพิ่มจากศีลห้าไปเป็นศีลแปด ถ้าเราต้องการชำระใจให้สะราดบริสุทธิ์นี้ศีลห้าไม่มีกำลังพอแรงซักพอกของศีลห้านี้ไม่พอต้องใช้ศีลแปดหรือศีลสิบหรือศีลสองร้อยยี่บเจ็ดเพราะเราต้องการมีเวลามาซักพอกจิตใจเครื่องซักพอกของจิตใจก็คือการภาวนาการปฏิบัติธรรม ที่มีอยู่สองระดับด้วยกันคือระดับสมาธิและระดับปัญญาถ้าเป็นภาวนาก็สมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาความหมายอันเดียวกันสมถะภาวนาก็คือการทำสมาธินี่เองวิปัสสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญาต้องทำเป็นขั้นไป ต้องผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนถึงเข้าสู่ขั้นที่สองได้เหมือนเรียนหนังสือต้องผ่านชั้นมัธยมก่อนถึงจะเข้ามาหาวิทยาลัยได้ถ้ายังไม่ผ่านมัธยมนี่ไปสอบก็สอบตกเข้าไม่ได้ถ้ายังไม่มีสมถะภาวนาก็จะไม่สามารถเจริญวิปัสสนาภาวนาได้ นาการที่จะเจริญสมถภ า, าวนาก็ต้องมีศีลแปดขึ้นไปถึงจะมีเวลามาเจริญศีลแปดก็เหมือนขั้นปฐมก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นมัธยมได้ก็ต้องผ่านขั้นปฐมก่อนพอเราผ่านขั้นปฐมจบปฐมหกก็ไปเข้ามหนึ่งได้เรียนมหนึ่งถึงมหกได้ พอได้ม .6 แล้วทีนี้ก็ไปเอนทานได้ไปเข้ามาหาวิทยาลัยเพื่อที่จะไปจบปริญญาสามระดับปริญญาตรีญญ 3, ปริญญาโทปริญญาเอกต่อไประดับปริญญานี้เราเรียกว่าระดับวิปัสสนาระดับปัญญาระดับมัธยมนี้เราเรียกว่าระดับสมาธิระดับ สมถะภาวนาระดับปฐมนี้เราเรียกว่าระดับศีลศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี 10, ่บเจ็ดนี่เรียกว่าเป็นระดับชั้นปฐม mm. การสอนกั mm. นสอนคุณพเจ้าการปฏิบัติการซื้อประกันภัยการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตนี่ mm. ก็ต้องถามตามขั้นตอนเหล่านี้ถึงจะสามารถที่จะ ทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปถ้าไม่ทําทุกขั้นตอนก็จะไม่สําเร็จบางคนคิดว่าเก่งขอไปขั้นปัญญาเลยเพราะอ่านหนังสือธรรมะแล้วเข้าใจแต่การเข้าใจไม่พอการเข้าใจนี้ยังไม่สามารถที่จะไปหยุดกิเลสตัณหาไนดะ้เข้าใจว่ากิเลสตัณหาไม่ดี แต่พอเจอมันปั๊บทำทำเป็นลืมไป็ะแล้วมันชวนให้ไปทำอะไรก็ไปกับมันทันทีต้องฝืนมันต้องฝืนความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพ ะ, ะไม่ใช่ว่าอ๋อเรามีปัญญาแล้วไม่เป็นไรไปเที่ยวได้ไปดูไปกินไปดื่มไปทำอะไรได้อัอนนี้ก็แสดงว่าสู้กิเลสไม่ได้สู้ตัณหาไม่ได้ สู้กามะตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะไม่ได้ต้องไม่ทําตามความอยากเหล่านี้ถึงจะเรียกว่าชนะมันแต่จะไม่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีทางที่จะเอาเอาสู้สู้กับตัณหาได้เพราะกําลังอยู่ที่สมาธิกําลังไม่ได้อยู่ที่ปัญญา ปัญญาเป็นเพียงผู้บอกให้รู้ว่าไม่ควรทำตามความอยากเพราะความอยากจะเป็นผู้ที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองถ้ามีปัญญาเห็นว่าสิ่งที่เราจะทำนี้ทาให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราจะได้ไม่ไม่ทำแต่เราจะหยุดเราจะไม่ทำได้ต้องมีกําลังสู้ ไม่ใช่ว่าพอรู้ว่าต้องหยุดแล้วจะหยุดได้เหมือนคนเดิมโซลานี่รู้ว่าเดิมแล้วไม่ดีนยแต่จะให้หยุดปั๊บนี่หยุดไม่ได้ถ้าไม่ไปฝึกสติไว้คอยสู้กับความอยากเวลาเกิดความอยากมันจะทรมานใจมากถ้าไม่รู้จักวิธีกาจัดความทรมานใจ มันจะสู้ตันหาความอยากไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกสมาธิฝึกสติไอตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะดับความทรมานใจได้เวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาแล้วเราไม่ไปทำตามความอยากไม่ใช่ปัญญาปัญญาเพียงแต่บอกให้เรารู้ว่าอย่าไปทำปัญญาเป็นเหมือนป้ายที่ติดอยู่ตามถนนที่ก็เขียนระวังอันตรายห้าม ห้ามไปทางนี้แต่ถ้ารถไม่มีเบรกก็หยุดไม่ได้ป้ายจะบอกให้หยุดแต่ก็หยุดไม่ได้ถ้ารถไม่มีเบรกใจก็เหมือนกันถ้าใจไม่มีสติไม่มีสมาธิก็เบรก ค, ความอยากไม่ได้พอมาเจอป้ายปัญญาบอกว่าอ่ะกา마ตันหานะภาวะตันหานะวิภาวะตันหานะ เป็นสมุทัยนะเป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายนะถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็อย่าไปทำตามกา마ตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาแต่ถ้าไม่มีเบรกไม่มีสมาธิไม่มีสติก็หยุดไม่ได้นี่คือความสำคัญของสติของสมาธิต้องมาก่อน ขับรถต้องมีเบรก่อนถึงออกไปขับตามท้องถนนได้แล้วพอเห็นป้ายบอกว่าห้ามปะห้ามเข้าเราก็จะหยุดได้หรือไปเห็นสีแยกไฟแดงพอไฟแดงมาป๊อปเราก็ต้องเหยียบเบรคทันทีถ้าไม่เหยียบเบรคก็เดี๋ยวก็ต้องไปชนกันนี่คือทําไมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นขั้นเป็นตอน เพราะว่ามันเป็นเป็นขบวนการของมันมันจะต้องมีสิ่งนี้ก่อนถึงจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้ก่อนที่จะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาได้มันมันต้องมีปัจจัยเสริมต้องมีเหตุที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะได้ทำให้สิ่งนั้นที่เราต้องการเกิดขึ้นมาได้ ดังนั้นถ้าเราอยากจะมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราต้องอมาเจริญศีลแปดที่เรียกว่าเนคขมะบารมีเนคขมะบารมีก็คือการออกจากการเจบกรามนั่นเองไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายศีลข้อสามของศีลห้าก็ต้องเปลี่ยนเป็นอัปป ร, รมจริยา จากาการเมสุมิชฌาจาราก็เปลี่ยนเป็นอรั ม, มะจริยาการเมสุมิชฌาก็คือการประพฤติผิดประเวณีก็ต้องเปลี่ยนเป็นการไม่เสพกามไม่ร่วมหลับนอนกันอบร ม, มะจริยาไม่ให้หาความสุขทางร่างกายคือการมาสุขนี้ เพราการหาความสุขทางร่างกายก็เท่ากับการส่งเสริมให้มีส่งเสริมให้กามตัณหามันมีกําลังมากขึ้นไม่ใช่ให้มันมีกําลังน้อยลงถ้าต้องการตัดกามตัณหาก็ต้องถือศีลอ ร, รัมมจริยาไม่เสพกามด้วยการร่วมหลับนอนกัน ข้อที่หกก็ให้ไม่ให้เสพการด้วยการรับประทานอาหารรับประทานได้แต่รับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ไม่รับประทานเพื่อความสุขทางใจร่างกายต้องการอาหารก็ให้เขาตามที่เขาต้องการเหมือนกับรถยนต์รถยนต์ต้องการน้ำมันเราก็เติมน้ำมันให้เติมครั้งเดียวเต็มถังเลยก็พอ ร่างกายก็เหมือนกันกินหนเดียวให้มันเต็มท้องไปเลยก็พอถ้ามันเต็มท้องแล้วมันก็อยู่ได้ไม่ตายถึงวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าเรายังกล้ากลัวอยู่ก็เอาแบ่งให้สองครั้งก็ได้แต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันสินข้อหกนี้ให้กินได้ไม่เกินเที่ยงวันเพราะหลังจากเที่ยงวันจะได้เอาเวลามาปฏิบัตินั่นเอง มาปฏิบัติธรรมมาเจริญสมถภาวนามาเจริญสติถ้ามัวแต่มาลอยกินอาหารเย็นใจมันก็จะไม่มีสติสตังที่จะอยู่กับการจเจริญพุทโธพุทโธมันก็จะมารอว่าเมื่อไหร่จะได้กินอาหารเย็นจะกินอะไรดีปรุงแต่งไปทฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยบอกว่า อย่าหาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานอาหารแบบรับประทานยาเพื่อดับความหิวของร่างกายรับประทานครั้งสองครั้งก็พอไม่เกินเที่ยงวันก็รับรองได้ว่าร่างกายจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายอย่างแน่นอนนี้คือข้อที่หกให้ระงรับการหาความสุขผ่านการรับประทานอาหารมากเกินไป รับประทานอาหารแบบไม่มีเวล่ำเวลารับประทานตามความอยากแล้วข้อที่เจ็ดก็ให้ละเว้นการหาความสุขจากมหอรสศบบันเทิงและการเสริมความงามทางร่างกายเพราะถ้าเราไปหาความสุขเหล่านี้เราจะไม่มีเวลามาปฏิบัตินั่นเองถ้าไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวกันตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แต่ตามแหลง่งบันเทิงต่างๆในงานสังคมต่างๆ ง, งานลาตีงานอะไรกว่าจะกลับบ้านก็ดึกกลับบ้านก็ง่วงนอนก็หลับนอนอันนี้ถ้าเลยต้องระ ง, งับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปไหนถ้าอยู่บ้านหรือที่สงบ ก, ก็อยู่บ้านปฏิบัติที่บ้านถ้าบ้านไม่สงบ ที่จะปฏิบัติได้ก็ไปอยู่วัดไปหาวัดอยู่กันไปอยู่แล้วก็จะได้มีเวลาปฏิบัติสติสมาธิและปัญญานั่นเองข้อที่8ศีลข้อที่8ก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปวิธีไม่ให้นอนมากเกินไปก็ไม่ให้นอนบนฟูกบนบนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่ๆเพราะมันจะสบายเกินไปแล้วมันจะหลับนาน ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่มันจะหลับไม่นานพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วร่างกายจะตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันนอนแล้วมันไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิแล้วลุกขึ้นมาเดินจงกรมเพื่อได้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติสนันตภวนาหรือวิปัสสนาภวนาแล้วแต่ว่าเราอยู่ในขั้นไหน ถ้าเรายังไม่ได้อยู่ถ้าเรายังไม่ได้สมถภ า, าวนาเราก็ต้องปฏิบัติสมถภ า, าวนาไปก่อนถ้าเราได้สมถภ า, าวนาแล้วได้สมาธิแล้วเราจะสลับไปทําวิปัสสนาภาวนาก็ได้สลับกันไปเวลานั่นก็จเจริญสมถภ า, าวนาเวลาออกจากสมาธิก็ไปจเจริญปัญญาไปจเจริญวิปัสสนา การเจริญวิปัสสนากับการสมรถานี้มันเป็นงานคนละขั้วกันทำพร้อมกันไม่ได้เพราะสมถะภาวนานี้ต้องหยุดคิดนใจถึงจะสงบส่วนวิปัสสนานี้ต้องคิดถึงจะถึงจะได้ปัญญาคิดไปทางเหตุทางผลนั่นเองคิดไปทางตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็น แล้วก็นำมาสั่งมาสอนให้พวกเราคิดคิดไปในทางไตรลักษณ์คิดไปในทางอาริยสัจ ส, สีถ้าคิดไปทางนี้แล้วจะเป็นปัญญาจะทำให้เราเห็นโทษของการกระทำตามความอยากต่างๆแล้วจะทำให้เราไม่ไม่ทำตามความอยากแต่จะทำได้หรือไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีสมาธิหรือไม่ ถ้าเรามีสมาธิเราหยุดความอยากได้ถ้าเราไม่มีสมาธิเราหยุดความอยากไม่ได้ถ้าเรามีปัญญาเรารู้ว่าความอยากเป็นตัวที่ทำให้เราไปเกิดแต่เราหยุดมันไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิเรากำลังยังไม่พอเราก็ต้องกลับมาติวเข้มที่สมาธิก่อนกลับมาฝึกสมาธิให้มากกว่าปัญญา พยายามควบคุมความคิดให้ได้มากๆให้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าในขณะที่นั่งหรือเวลาขณะที่เดินจงกรมก็ตามอย่าพึ่งไปคิดทางปัญญาถ้าสมาธิเรายังไม่มีกําลังมากพอที่จะหยุดตันหาความอยากได้ก็มาทุ่มเทให้กับการทําสมาธิก่อนมาหยุดความคิดให้ได้ทุกเวลาที่เราต้องการ เพราะเวลาเราจะเหยียบเบรนี่เราไม่รู้ว่าจะเหยียบเมื่อไหร่ไม่ใช่จะเหยียบเฉเฉพาะตอนที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นแล้วอาจจะเหยียบเบร์ตอนที่เรากาลังทาอะไรอยู่กิเลสโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องหยุดมันทันทีดังนั้นเราต้องพร้อมที่จะหยุดใจได้ทุกเวลานาทีสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลานาทีที่เราต้องการถึงจะเรียกว่ามีสมาธิ เต็มร้อยการนั่งสมาธิแล้วจิตสงบครั้งแรกนี้ไม่ได้เป็นสมาธิเต็มร้อยยังเรียกว่าเป็นสมาธิหนึ่งเปอร์เซนต์สองเปอร์เซนต์ยังต้องนั่งบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเรื่อยๆเข้าจนสามารถเข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการเข้าแล้วก็อยู่ได้นานด้วยไม่ใช่เข้าไปปุ๊บหนึ่งสองสามวินาทีก็ได้งออกมา อย่างนี้เ็เรียกว่าสมาธิแบบงูแลบลิ้นก็ยังดีดีที่ตรงที่ให้เราเห็นคุณค่าของสมาธิว่ามันไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับเรายิ่งกว่าความสุขที่ได้จากสมาธินี่เอแล้วมันจะทำให้เรามีฉันทะวิริยะที่จะฝึกสติฝึกสมาธิให้มากขึ้นให้มีมากขึ้นให้อยู่ได้นานขึ้นนั่นเอง ขั้นต้นมันจะอยู่ได้เดี๋ยวเดียวเรียกว่าคณิกะสมาธิเวลาจิตสงบชั่วครู่เดียวชั่วูแลบลินเรียกว่าคณิกะสมาธิพอเราได้สัมผัสกับคณิกะสมาธิเราจะมีความยินดีมีความภาคเพียนที่จะทําสมาธิให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นที่จะหมั่นจะดานสติ เพราะเรารู้ว่าสตินี่แหละเป็นผู้ที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาเราก็จะขยันพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือถ้าเราไม่พุโทโธเราก็คอยเฝ้าดูร่างกายอย่าให้ใจไปอยู่ที่อื่นให้อยู่กับร่างกายเพราะการอยู่กับร่างกายเป็นการดึงใจไว้ไม่ให้ไปกับความคิดต่างๆนั่นเอง ถ้าเราคอยดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่เราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าคิดก็แสดงว่าเราไม่ดูร่างกายนั่นเองใจมันอยู่ได้ที่เดียวจะอยู่ที่ปัจจุบันและอยู่ที่อดีตไม่อยู่ที่อนาคตส่วนใหญ่ใจเราไม่ชอบอยู่ในปัจจุบันชอบไปอดีตคิดถึงอดีตที่ผ่านมาชอบไปอนาคตคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ส่วนนั้นปัจจุบันคือร่างกายนี้ไม่ชอบอยู่กับมันใจมันก็เลยคิดอยู่เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวคิดถึงอดีตแล้วก็แวะไปอนาคตเดี๋ยวแวาไปอนาคตก็กลับมาที่อดีตกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ไม่เคยอยู่ในปัจจุบันอยู่แค่แป๊บเดียว อยู่เพื่อให้รู้ว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไระกําลังเดินก็รู้ว่ากําลังเดินปั๊บนล้วกไปละไปอดีตและไปอนาคตละแล้ ว, ลว ก, กลับมาดูว่าเดินต่อไปดูทางเดินดูอะไรไปแต่ไม่ได้อยู่ตลอดเวลาอการเจริญสตินี่เราต้องการให้จิตอยู่กับร่างกายตลอดเวลาให้อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาเพราะปัจจุบันนี่แหละคือสนามลบที่แท้จริง กิเลสตัณหามันไม่เกิดในอดีตมันไม่เกิดในอนาคตมันเกิดในปัจจุบันความอยากมันเกิดในปัจจุบันแล้วเราต้องหยุดมันในปัจจุบันเพราะเกิดความอยากปุ๊บต้องหยุดมันทันทีถ้าจิตเราไม่อยู่ในปัจจุบันเราจะหยุดมันไม่ได้อยเราต้องฝึกให้จิตอยู่ในปัจจุบันอย่าให้มันลอยไปตามความคิดต่างๆความคิดในอดีตความคิดอนาคต ดึงกลับมาให้อยู่ที่ปัจจุบันวิธีที่ให้จิตอยู่ปัจจุบันก็ต้องผูกมันไว้กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งผูกไว้กับพุทโธก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆมันก็จะไปอดีตไปอนาคตไม่ได้หรือคอยเฝ้าดูว่าร่างกายกาลังทําอะไรอยู่มันก็จะไปอดีตอนาคตไม่ได้หรือเวลานั่งก็ให้ดูลมหายใจเข้าออก มันก็จะไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตแล้วถ้านั่งเฉยๆดูลมได้เดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่จะได้สมาธิต้องนั่งเฉยๆถ้ายังเดินจมกรมอยู่นี้ยังไม่สงบได้เต็มที่สงบได้ห้าสิบ ตัวใจจะว่างจากความคิดน้อยความคิดปรุงแต่งจะน้อยลงแต่ใจยังต้องคอยควบคุมร่างกายอยู่ยังต้องคอยสั่งให้ร่างกายก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาอยู่ยังสั่งให้ร่างกายหมุนกลับไปหมุนกลับมาอยู่ถ้าอยากจะให้ใจหยุดทํางานอยากให้นิ่งเต็มร้อยก็ต้องนั่งเฉยๆเพราะเวลาร่างกายนั่งเฉยๆแล้วจิตใจก็ปล่อยร่างกายได้ ไม่ต้องไปควบคุมบังคับไม่ต้องไปสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่อไปใจก็มาอยู่กับลมหายใจมาดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวหรือมาพุทโธเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวใจก็จะหยุดคิดเต็มร้อยจะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาถ้าสงบได้เดี๋ยวเดียวก็เรียกว่าคันิกะสมาธิถ้าสงบได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิ เวลาสงบจริงๆนี้จะไม่มีอารมณ์ไม่มีอาการอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีสีไม่มีอะไรมีแต่สัคตะวารุกับอุเบกขาอุเบกขาคือใจเป็นกลางใจดังนั้นจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่คือวิธีที่เราจะสร้างเครื่องมือขึ้นมา สร้างอาวุธเพื่อที่จะมาฆ่ากิเลสตัณหาอาวุธนี้ต้องมีสองอันด้วยกันมีสมาธิและมีปัญญาเหมือนเวลาเราจะต่อสู้เราต้องมีสองมือถ้าเรามีมือเดียวเราสู้คนที่เขามีสองมือไม่ได้ลองดูไปชกมวยกับคนที่มีสองมือดูคนมือเดียวไปชกกับคนมีสองมือนี่สู้คนมีสองมือไม่ได้ คนมีสองมือนี่เขามาได้ทั้งซ้ายทั้งขวาคนมีมือเดียวนี่จะสู้เขาไม่ได้อดังนั้นการที่จะต่อสู้กับตันหาความอยากต่างๆการที่จะหยุดความอยากต่างๆได้นี้จำเป็นจะต้องมีทั้งสองอย่างถ้ามีสมาธิอย่างเดียวก็ไม่รู้ว่าตันหานี้เป็นศัตรู เป็นคู่ต่อสู้ในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดจรูน้นี่ไม่มีใครรู้ว่าตัณหานี่แหละเป็นตัวที่พาให้พวกเรามาทุกข์กันมาเวียนว่ายตายเกิดกันพาให้เราไปเกิดในที่ต่างๆกันนี่ก็คือตัณหาความอยากนี่เองถึงแม้มีสมาธิก็ไม่เอามาใช้ในการหยุดตัณหาความอยากพอเกิดความอยากแทนที่จะหยุดมันกลับไปทาตามมัน เพราะมันได้ความสุขจากการทำตามความอยากนั่นเองออกจากสมาธิมาอยากจะดื่มกาแฟาก็ไปเลยอยากจะดูหนังก็ดูเลยอยากจะไปเที่ยวต่อก็ไปเที่ยวเลยอย่างนี้แสดงว่าไม่มีปัญญาไม่รู้โทษของกา마ตันหาว่าเป็นตัวที่จะคอยฉุดลากจิตใจให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนั่นเอง อันนี้ปัญญา น, นี้ไม่มีใครรู้ต้องมีพระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่จะรู้ว่าการที่จิตของเราต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆต้องมาทุกข์มาทรมานใจอยู่เรื่อยๆก็เพราะความอยากนั่นเองพออยากได้อะไรขึ้นมาปุ๊บในใจสัน่นใจทรมานจะหายสั่นก็ต่อเมื่อมีอยู่สองวิธีวิธีเก่าก็คือไปทาตามความอยาก พอทำตามความอยากความทรมานใจก็จะหายไปชั่วคราวแต่ความอยากไม่หายเดี๋ยวความอยากกลับมาใหม่อันนี้เป็นวิธีที่สัตว์โลกทั้งหลายใช้แก้ความทุกข์ทรมานใจเวลาเกิดความอยากกันแต่ไม่ได้เป็นวิธีกำจัดความทุกข์ทรมานใจอย่างถาวร ก็เป็นการเสริมกําลังของความอยากให้มีกําลังมากขึ้นให้กลับมาสร้างความทุกข์ทรมานใจเพิ่มมากขึ้นวิธีใหม่นี้วิธีที่สองนี้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าเป็นวิธีกําจัดความทรมานใจและกําจัดความอยากให้หมดไปพร้อมๆกันเลยคือวิธีไม่ทําตามความอยาก วิธีทําใจให้สงบนะพอเกิดความอยากขึ้นมาใจสัน่นใจทรมานก็ทําให้มันสงบเสียใช้พุทธโธก็ได้ใช้อานาปนาสติก็ได้อย่าไปทําตามความอยากพอทําใจให้สงบใจก็หายทุกข์ทรมานความอยากก็ไม่ต้องไปทําตามมันพอความอยากไม่ได้รับการตอบสนองมันก็จะหมดกําลังต่อไป ทุกครั้งที่มันอยากเราก็ทำแบบนี้ไปทำกับความอยากทุกรูปแบบทั้งสามชนิดคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเช่นตอนนี้อยากจะไปเป็นสอสอกันก็ไปนั่งสมาธิกันไปไปอยู่ปฏิบัติธรรมกันเดี๋ยวพอใจสงบก็เปลี่ยนใจได้ไม่ไปสมัครสอสอได้ หรือไม่กี่วันพอเ้าปิดรับสมัครแล้วก็สมัครไม่ได้แล้วนี่คือภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นสอสออยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่เป็นแล้วมันวุ่นวายเห็นไมนี่เป็นแล้วดีไม่ดีติดคุกติดตารางสอสิถ้าไปทำผิดกฎหมายเข้าความอยากบางทีมันจะท้าทำท้า ท, า, ทายให้เราไปทำอะไรที่เสี่ยง ต่อการผิดกฎหมายได้เดี๋ยวไปเลือกตั้งไปขายเสียงซื้อเสียงกันอีกเดี๋ยวถูกเขาจับได้ก็ถูกเขาลงโทษอีกเนียฉะนั้นความอยากมันจะพาเราไปหาความทุกข์มากกว่าแต่ตัวไร่แต่สิ่งที่ไร้ากาที่สุดก็คือมันจะพาให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากมันต้องมีร่างกายถึงจะทำรายตามความอยากได้ พอร่างกายอันนี้ตายไปมันก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ส่วนวิภาวะตัญหาก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บเนี่ยพอเวลาเจ็บนี่อยากจะหายก็จะทรมานใจถ้าอยากจะไม่ทรมานตอนที่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำใจให้สงบเสียพุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจไป พอใจสงบแล้วความทรมานใจที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยจะหายไปแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายจะไม่รุนแรงจะไม่สามารถมาทำให้ใจทรมานได้ใจจะเจ็บอย่างสบายเช่นเดียวกับความตายเวลาจะตายก็อย่าไปอยากไม่ตายทำใจให้สงบปล่อยให้มันตายไปเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเรา เราเป็นใจทําใจให้สงบเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ต้องไปทรมานทุกทรมานไปกับความตายของร่างกายถ้าเราหยุดความอยากได้ทําใจให้สงบได้เวลาร่างกายตายเหมือนนอนหลับไปเฉยเฉยนั่นเองไม่มีความทรมานเลยนี่คือตัณหาทั้งสามกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา ที่เราจะต้องใช้วิธีที่สองคือวิธีของพระพุทธเจ้าถึงจะสามารถกำจัดทำลายความอยากทั้งหลายให้หมดไปที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปต้องทำลายด้วยส ม, มถะและวิปัสสนาภาวนาสมาธิอย่างเดียวก็จะไม่รู้ว่าตัณหาความอยากนี้เป็นศัตรู เป็นตัวที่พาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายพอเราไม่รู้เราก็คิดว่ามันเป็นมิตรเพราะเวลามันมาชวนเรามันมักจะชวนเราไปหาความสุขกันหาความสุขจากการดื่มกาแฟจากการกินขนมกันแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ากินแล้วมันจะติดติดแล้วมันจะต้องกลับมากินอยู่เรื่อยกลับมาดื่มอยู่เรื่อย พอร่างกายนี้ตายไปมันก็จะกลับมาหามามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มากินมาดื่มใหม่มาดูมาฟังใหม่นั่นเองเราจรึงต้องฝืนอย่าไปทําตามความอยากกินได้อยู่ ด, ดื่มได้อยู่แต่ให้มันกินให้มันดื่มด้วยเหตุผลด้วยความจําเป็นอย่าให้มันดื่มด้วยกินด้วยความอยากเช่นถ้าร่างกายต้องการน้ําก็ดื่มน้ําเปล่าๆไม่ต้องดื่มน้ําที่มีรส มีสีมีกลิ่นเพราะนั่นมันเป็นการเป็นรูปเสียงกลิ่นรสดร่างกายต้องการน้ำสะอาดไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นลสดที่ผสมมากับน้ำดื่มน้ำเปล่าไปถ้าหิวอาหารก็รอให้ถึงเวลาค่อยกินกินแบบกินยาถ้ากินไม่กินแบบกินยาถ้ากินตามความอยากถ้าเอากินยาแบบกินตามความอยากเดี๋ยวร่างกายก็จะ เจ็บไข้ได้ป่วยจากการกินยาไม่ถูกถูกขนาดได้กินเกินขนาดกินอาหารเกินขนาดก็จะมีปัญหากับร่างกายได้ทำให้ร่างกายเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาคนที่เกินน้ำหนักเกินกินอาหารมากมักจะมีโรคเสริมเข้ามามีโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานโรคไขมันอุดตัน แต่ถ้ากินตามเวลากินตามที่หมอสั่งรับรองได้ว่าร่างกายจะมีแต่สุขภาพแข็งแรงจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกินแบบกินยากินได้ไม่ถือว่าเป็นตัญหาความอยากดื่มแบบดื่มยาได้ไม่ถือว่าเป็นความอยากแต่ยาดื่มยากินตามความอยากอันนี้จะทำให้กิเลสตันหามัน จเจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้ทำให้มันหดหายไปนี่คือวิธีการของการที่เราจะทำให้เราไม่ต้องมาตายกันได้อีกต่อไปจะตายกันครั้งสุดท้ายก็คือชาตินี้เท่านั้นและจะตายอย่างสงบตายอย่างไม่ทุกข์ถ้าเรามีประกันชีวิตของพระพุทธเจ้าถ้าเราสามารถ ชำระใจของพวกเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราต้องเจริญสมถะภวาวนาและวิปัสนาภวาวนาเราต้องเจริญสติถึงจะได้สมถะได้สมาธิการที่จะเจริญสติได้ก็ต้องมีศีลแปดก่อนถ้าไม่มีศีลแปดก็จะไม่มีเวลามาเจริญสติ ต้องมีทั้งศีลมีทั้งสติทั้งสมาธิถ้ามีสติก็ต่อไปก็ได้สมาธิพอได้สมาธิก็ต้องไปปัญญาต่อถ้าได้แต่สมาธิก็จะไม่เห็นไม่รู้จักว่ากิเลสตัณหาเป็นตัวที่เราจะต้องคอยกำจัดแทนที่จะกำจัดมันเราก็จะคอยส่งเสริมมันแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าการส่งเสริมกิเลสตัณหานี้เป็นการ ส่งเสริมความทุกข์ทุกในอริยรสัจสี่ทุกใจเกิดจากตัญหาความอยากทําให้ใจทุกทรมานเพราะความอยากต่างๆดังนั้นเราต้องคอยกําจัดความอยากต่างๆด้วยสมาธิและด้วยปัญญาพ <c oughs> อเรามีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเราก็จะสามารถกําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเราได้ พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วแล้วใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายการผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่ามีความอยากหลงเหลือหรืออยู่ไหมเมือมม่อก่อนมันเคยมีเดี๋ยวนี้มันไม่มีทำไมจะไม่รู้คนที่เคยอยากสูบบุหรี่กับคนที่ไม่อยากสูบบุหรี่แล้วทำไมเขาจะไม่รู้ คนที่อยากดื่มสุรากับ ก, กับเวลาที่เขาไม่อยากดื่มสุราทําไมเขาจะไม่รู้อการที่เขาอยากดื่มกาแฟแล้วกับการที่เขาไม่อยากดื่มกาแฟทําไมเขาจะไม่รู้อมันรู้อยู่ในใจผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปถามใครว่าความอยากในตัวเราหมดไปหรื อ, อยังเมันรู้อยู่แก่ใจทั้งยังอยากมันก็ยังอยากอยู่ แต่ถ้ามันไม่อยากมันก็ไม่อยากเวลาไม่อยากแล้วมันไม่ทรมานเวลาอยากแล้วมันจะทรมานให้ดูตรงนี้ดูที่ใจถ้าใจทุกข์ก็สแสดงว่าอยากถ้าใจไม่ทุกข์ก็สแสดงว่าไม่อยากถึงแม้ว่าจะทำเหมือนกันเช่นดื่มกาแฟเหมือนกันแต่ดื่มด้วยความอยากหรือดื่มด้วยความไม่อยากนี่มันต่างกันดื่มด้วยความไม่อยากดื่มอย่างไร ก็อยู่ดีๆมีคนเอากาแฟมาให้ดื่มเนี่ยเราไม่ได้ไปคิดถึงมันเราไม่ได้ไปอยากดื่มมันแต่อยู่ดีๆมีคนก็อยากจะมาให้ดื่มแล้วเราก็ดื่มไปอันนี้ก็พอไม่มีดื่มก็ไม่ไปอยากให้ดื่มอย่างนี้แต่คนที่อยากดื่มนี้ต้องไปหากาแฟมาดื่มพอดื่มแล้วพอหมดก็ต้องไปหามาดื่มใหม่อีกเพราะว่าเวลาไม่ได้ดื่มมันจะทรมานใจ คนที่ปฏิบัติจะรู้ว่าตนอยากหรือไม่อยากถ้าถึงแม้จะดื่มกาแฟแต่ดื่มแบบไม่อยากก็มีดื่มแบบอยากก็มีสูบบุหรี่ก็เหมือนกันสูบแบบอยากก็มีสูบแบบไม่อยากก็มีคนบางคนจึงไม่เข้าใจว่าพระอรหันต์บางรูปทำไมท่านยังดื่มกาแฟยังสูบบุหรี่เพราะว่าท่านดื่มไม่ได้ดื่มด้วยความอยากดื่มเพราะมันมีให้ดื่ม สูบเพราะมันมีให้สูบแต่พอไม่มีสูบไม่มีดื่มท่านก็เฉยเฉยไปท่านไม่ไปดิ้นนนไปหามาดื่มหรอกนี่มันต่างกันตรงนี้งั้นอย่าไปประมาทครูบาอาจารย์บางคนนี่ไปประมาทครูบาอาจารย์ว่เป็นพาาาระานันตอะไรวะยังสูบบุหรี่อยู่เลยยังดื่มกาแฟอยู่เลยดีไม่ยังดีไม่ไปว่ายังกินข้าวอยู่เองพ า, อาหานันต์ทไมยังต้องกินข้าวอยู่อะ เพราะว่ามันถ้าไม่ได้กินด้วยความอยากเวลาท่าน <amusement> ดอดข้า <accept> วท่านก <gy> ็ไม่ทรมานเหมือนพวกคนที่อยากกินข้าวมันต่างกันตรงนั้นใจท่านไม่เดือดร้อนว่าจะมีกินหรือไม่มีกินจะมีดื่มหรือไม่มีดื่มจะมีสูบหรือไม่มีสูบใจไม่เดือดร้อนสำหรับผู้ที่ไม่มีความอยากผู้ที่มีความอยากนี่รู้ทันทีเลยพอกาแฟาใกล้จะหมดนี่เริ่มกังวลนะพอบุหรี่ใกล้จะหมดนี่เริ่มกังวลนะ จะไปต้องไปเตรียมตัวหามาเตรียมสำรลองไว้และนี่นี่คือความอยากอยงนั้นไม่ต้องกังวลว่าปฏิบัติแล้วจะรู้ได้ยังไง ร, รู้เองเหมือนคนกินข้าวอิ่มแล้วรู้เองว่าอิ่มกินไม่ลงแล้วไม่อยากจะกินแล้วฉันใดปฏิบัติทำไปพอกำจัดกิเลสตัณหาหมดไปแล้วมันจะถึงเมืองพอขึ้นมาเองมันจะพอมันจะไม่อยากกับอะไรต่อไป นี่คือการประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาเบีย้ยประกันก็คือต้องสร้างกุศลตั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็จะได้ประกันชีวิตไม่ต้องกลับมาเกิดมาตายต่อไปถ้าประกันภัยก็ให้ละการกระททำบาปทั้งปวงชำระละการกระททำบาปและอาบายยมุขนั่นเองก็จะไม่ต้องไปเกิดในอาบายอีกต่อไป นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงแสดงไว้ในวันมาค้าบูชาที่จะถึงนี้ที่พวกเราจะมาลำลึกถึงคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือมาลำลึกถึงประกันที่พระพุทธเจ้าเอามาขายให้พวกเรานั่นเองถ้าเราอยากจะซื้อประกันภัยก็ละการกระทำบาปทั้งปวง ถ้าอยากจะซื้อประกันชีวิตก็ให้สร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อมและทำละจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาตายอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลัง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 จันโทปันาราโสยทามณิโชติอราโสยทาสัพพิติโยวิวาจจันโตสัพพโรโควีนัสตุ มาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศิริสานิจจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ ค่ะวันนี้จาก Facebook 348, ้อยสี่ e ิ9 6ปดยูทูบหวิทยุออนไลน์ยี่สิบสามผู้รับฟังบนเขาห้าสิบหกรวมทั้งสิ้น7 2็ด้อยสิบสามท่านค่ะคำถามจากคุณท็อป ทุกวันนี้ตัวกระผมเองมักจะสแสวงหาพระอาหารหันต์อยากจะทําบุญกับหลายๆองค์อย่างนี้ถูกต้องไหมครับบุญจะต่างจากทำกับองค์เดียวไหมครับคือถ้าสแสวงหาเพียงแต่เพื่อใส่บาตรก็อย่าไปแสวงหาหเสียเวลาเพราะว่าจะใส่บาตรกับพระอรหันต์เนื้อผัดใส่บาตรกับพระธรรมดาก็ได้บุญเท่ากันการที่เราไปหาพระหลานใส่บาตรนี้เพราะเราต้องการจะได้รับธรรมะจากท่านด้วย จะรับธรรมะก็ต้องรอฟังธรรมหรือต้องคุยกับท่านถึงจะได้ประโยชน์จากการใส่บาตกับพาาระอรหันต์แต่ถ้าใส่บาตแล้วก็กลับบ้านก็เหมือนกันจะไปใส่บาตกับพระองค์ไหนก็ได้บุญเท่ากันบุญที่เกิดจากการทำทานนี้เท่ากันแต่บุญที่เกิดจากการได้แสงสว่างแห่งธรรมนี้อยู่ที่ว่าเราจะรอรับแสงสว่างแห่งธรรมหรือไม่ ถ้าเราอยากจะได้แสงสว่างแห่งธรรมเราก็ต้องรอฟังเทศฟังธรรมหรือขอมีโอกาสก็ได้สนทนาถามปัญหาธรรมอย่างนี้เราก็จะได้ประโยชน์คำถามจากคุณทีกระผมภาวนาแบบนี้ได้ไหมครับเวลาหายใจเข้าว่าพุทธเวลาหายใจ เวลาหายใจเข้าปุทดหนอเวลาหายใจออกโทหนอแล้วนับในใจเป็นหนึ่งภาวนาแบบนี้แล้วก็นับจนถึงสิบถ้าเผลอคิดเรื่องอื่นกระผมจะเริ่มนับหนึ่งใหม่แบบนี้กระผมทำถูกต้องไหมครับทำได้ไหมครับได้ถ้าทำให้ใจสงบใจไม่คิดอะไรก็ทำได้แต่ถ้าทำไปแล้วทำให้สับสนงงให้ตอนนี้ถึงไหนแล้วเวย้ยกลับมาปรุแต่งมาอันนี้ก็ยุ่งยากมากเกินไป เรานั้นมันอยู่ที่ว่าใจเรามันคิดมากหรือไม่คิดมากเวลาคิดมากเอามาคิดแบบนี้มันก็ดีแต่ถ้ามันก็มีปัญหาเดี๋ยวถ้าคิดแล้วเดี๋ยวเกิดสับสนก็ต้องมางงว่าไอ้อยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือดูเฉยๆถ้าทําได้ดูลมเข้าดูลมออกไปเท่านั้นพอ ถ้ายังดูไม่ได้ยังอยากใชคิดอยู่ก็ให้มันสวดวนไปเลยสวดยาวๆไปเลยสวดให้มันจนกระทั่งมันเหนื่อยไม่อยากจะสวดแล้วก็ค่อยมาดูลมต่อออย่างนี้มันน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้ามาพุทธเข้าหนึ่งด้วยเดี๋ยวงงให้สองเดี๋ยวสามเดี๋ยวเผลอแป๊บหนึ่งเอามันจะสับสนมันจะยุ่งยากไป แต่ถ้าทำได้แล้วทำใจให้สงบได้ก็ทำได้ไม่ห้ามไม่ว่าแต่เราฟังแล้วรู้สึกว่ามันจะยุ่งยากแ ต, แต่ทำได้ก็ทำไปขอให้ดูที่ผลคือทำ้วใจนิ่งนั่งสมาธิได้นานใจสงบได้นานก็ใช้ได้ <c oughs> คําถามจากคุณกบอบมีสองคําถามนะคะ ข้อหนึ่งเวลานั่งสมาธิเกิดอาการปวดเมื่อยเหน็บชาหรือง่วงนอนจะแก้อย่างไรครับก็อย่านั่งเสียลุกขึ้นมาเดินก่อนฝึกสติให้มงงากงก่อนสติน้อยพอนั่งก็จะเป็นอย่างนี้ก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมเดินพุโทโธพุโทโธไปดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปจนเมื่อยจนอยากจะนั่งน้อย ก, กลับมานั่งใหม่นาที่ดูเหมือนว่ามันยังจะง่วงด้วยหรือเปล่า ถ้ายังง่วงอยู่ก็ต้องเดินต่อไปแสดงว่าเรายังไม่มีกำลังที่จะนั่งค่ะคำถามที่สองเกี่ยวกับเดินจงกรมพระาอาจารย์ตอบไปแล้วนะคะคำ <c oughs> ถามจากคุณหมวย กราบนมัส ก, การและเรียนถามน้องเป็นคนฉลาดหัวดีมีความมั่นใจแต่ไม่มีศรัทธาและแอนตี้ในการทำบุญกับพระกับศาสนาแต่เขาก็ทำบุญทั่วไปเช่นการศึกษาโรงพยาบาล mm hmm. แต่มาวันหนึ่งคุณพ่อเสียน้องก็เศร้ามากทำใจไม่ได้คิดมากไปต่างๆนาน า, นารวมทั้งกับแม่จนเข้าขั้นประชดโดยทาร้ายตัวเองเช่นกินยากินเหล้าอาจเป็นเพราะไม่มีที่ยึดเหนียว จิตใจถ้าเรายิ่งสอนยิ่งต่อต้านแต่ตอนนี้ไปพบจิตแพทย์ช่วยอีกทางหนึ่งอยากทราบว่าควรจะใช้หลักธรรมหรืออุบายอย่างไรดีเจ้าคะพระพุทธเจ้าก็ไม่สอ น, นคนแบบนี้เขาเรียกว่าพวกบัวที่อยู่ใต้อยู่โคนกระตรงเนี่ยตรงนี้ไม่ยอมฟังเหตุฟังผลมีความเชื่อมั่นในความหลงผิดของตนเองอก็แก้ยาก ถ้าเขาไม่เข้าหาหาก็จะยากถ้าเขาแก้เขาเขาถ้าเขาอยากจะเข้าหาก็จะมีโอกาสแก้ได้แต่ไม่ได้เข้าหาเพราะคนนั้นคนนี้ดึงมานะถ้าคนอื่นดึงมาก็ไม่ได้เรื่องต้องเกิดศรัทธากลดยความเชื่อว่าการเข้าหาผู้รู้อย่างพร ะ, พระธรรมพระสงฆ์นี้จะช่วยเขาได้เท่านั้นแหละถ้าเขายังไม่ยังแอนตี้อยู่ก็ เหมือนกับหมอให้ยาแต่ไม่ยอมกินยาก็อย่าพาไปหาหมอให้เสียเวลาให้ยาไปก็โยนทิ้งหมดคําถามจากคุณยงยุทธกราบถามครับพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขณะอยู่ในสมาธิหรือออกจากสมาธิครับเออต้องไปถามพระพุทธเจ้าดูแล้วล่ะแต่เวลาเจริญวิปัสสนานี้มันอยู่ในสมาธิไม่ได้มันต้องอยู่นอกสมาธิ แต่เราไม่กล้าไปอาดเอื้อมที่จะไปวิาพาก์วิจารณพระพุทธเจ้าว่าท่านตัดสั้ในที่ไหนอย่างไรเราเชื่อว่าท่านสัตว์รู้ตัดสั้นก็พอแล้วแล้วท่างเราก็เชื่อในคําสอนของท่านท่านสอนให้เราทําก็ทำํคำคําถามจากคุณสถาพรกราบนมัส ก, การครับอะไรคือเหตุให้การปฏิบัติธรรมก้าวหน้าและเสื่อมถอยไปครับ ก็ศรัทธาในเบื้องต้นมีศรัทธาคือมีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในผลที่จะได้จากการปฏิบัติคือมรรคผลนิพพานถ้าเรามีความเชื่อมั่นมันก็จะทำให้เรามีวิริยะมีฉันทะเกิดขึ้นมามีความยินดีที่จะปฏิบัติมีความขยันที่จะปฏิบัติมันก็จะทำให้ใจแล้วเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเราเสื่อมศรัทธามื่นหล่มันก็จะทาให เสื่อมในความยินดีในความเปลี่ยนยันต้องพยายามรักษาศรัท ธ, ธาไว้อย่าให้มันสั่นคลอนด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆคือการฟังเทศฟังธรรมการอ่านหนังสือธรรมะของของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือของพระปฏิบัติดี ป, ปฏิบัติชอบคือพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็ดีก็จะรักษาศรัท ธ, ธาของเราให้มั่นคงได้ แต่ถ้าเราไปหลงกับพระที่ไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลพอท่านทำอะไรเสื่อมเสียขึ้นมามันก็ทำให้เราหมดกำลังใจใช่ไหมมีข่าวไหมลูกศิษย์ที่ติดตามครูบาอาจารย์ต่างๆพอครูบาอาจารย์ติดคุกเลยไม่รู้จะไปจะไ ป, ะ ไ, ปไปพึ่งใครแล้วฉะนั้นต้องรู้จักเลือกพระให้ดีถ้าเลือกไม่เป็นไปเจอพปปอระปลอมก็ช่วยไม่ได้ คำถามจากคุณกรณ์ขอพระอาจารย์ให้แง่คิดเกี่ยวกับความรักในวันวาเลนไทน์นี้ด้วยครับเพราะมีคำพระที่บอกเสมอว่ามีรักที่ไหนมักจะมีทุกข์ที่นั่นเราจะจัดการความรักอย่างไรให้ลงตัวครับความรักของเราเราไปรักในสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนคนที่เรารักก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนความรักที่เขาให้เราก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอน วันใดวันหนึ่งถ้าความรักที่เขาเคยให้เราหมดไปหรือเขาไม่อยู่เขาจากเราไปวันนั้นมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นอย่ารักแบบนี้รักแบบนี้แล้วจะต้องน้ำตาตกในต่อไปให้รักแบบให้อย่างเดียวให้ความสุขแก่คนอื่นเห็นใครเขาทุกข์ยากเดือดร้อนรักเขาสงสารเขาก็ช่วยเขาให้เขามีความสุข ถ้ารักแบบนี้แล้วจะไม่มีวันเสียอกเสียใจเพราะเราไม่ได้ต้องการอะไรจากผู้ที่เรารัก เ, เราต้องการให้อย่างเดียวยงั้นถ้าอยากจะรักอย่างมีความสุขไม่มีความทุกข์ตามมาก็าต้องรักแบบให้อย่าไปรักแบบนับอย่าไปรักแบบได้เพราะเวลาได้มันจะมีสุขแต่พอเวลาไม่ไม่ได้แล้วมันจะทุกข์คำถามจากคุณธ ญ, ญรัตน์กราบเรียนถาม ท่านอาจารย์พระอาจารย์ค่ะไปทำบุญโรงทานอาศัยรถเขาไปเจ้าของรถบางทีเขาก็บ่นด่าให้แต่ไม่ตอบโต้เพราะอยากได้บุญบางทีก็โกรธโมโหอยู่บ้างแต่ก็อดทนเพราะอยากได้บุญจริงๆแล้วเราจะได้บุญหรือเปล่าคะแล้วคนที่บ่นด่าให้เราแล้วไปทำบุญด้วยกันเขาจะได้บุญไหมคะ อ, อ๋อมันคนละเรื่องกันเรื่องทาบุญก็เรื่องบุ ญ, เ ร, บญเรื่องด่าก็เรื่องดา่ามันคนละกระทงกัน บนก็บนดามันก็ได้มันก็ได้อกุศลอาจจะไม่เป็นบาปเพียงแต่บ่นแต่บุตบทำบุญก็ได้บุญนั้นมันไม่ไม่ไ ม, ไม่มาลบล้างกันไม่มาทำลายกันทำบาปก็ได้บาปทำบุญก็ได้บุญ คำําจากคุณสุนันในขณะนั่งสมาธิห้ามกลืนน้าลายใช่ไหมคะแล้วเราควรทําอย่างไรเมื่อมีน้ําลายในปากเพื่อให้นั่งสมาธิได้ต่อไปก็ไม่มีอะไรปัญหาเลยก็มีในปากกันมาทุกคนก็อยู่ในปากตลอดเวลาทําไมต้องมาเกินตอนเวลานั่งเท่านั้นเวลาอื่นไม่ต้องเกินเลย คำถามจากคุณสุดาพรกราบนามัสการพระอาจารย์ลูกขอกราบเรียนถามคำแปลของบทสวดมนต์มนุษย์เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและลูกคเจดีบ้างเป็นสารณะหมายความว่ายอย่างไรเจ้าคะาก็หมายความอย่างที่พวกเราทํากันอยู่ทุกวันนี้พวกเราเจอภยัยอะไรเราก็ต้องหาสิ่งที่เราหลบภัยได้หาบ้านหาช่องหาอะไรต่างๆมาหลบภยัย แต่ภัยที่เราหลบไม่ได้ที่เราไม่สามารถหาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาหลบได้ก็คือภัยทางใจภัยทางใจนี้ต้องหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถึงจะมามาป้องกันภัยต่างๆได้คำถามจากคุณน้อยบัวงเงินกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะจิตที่เกิดจากขันห้ากับจิตที่ไปจุติเป็นคนละดวงกันใช่ไหมเจ้าค่ะ จิตไม่ได้เกิดจากขันห้าจิตมาเกาะติดอยู่กับรูปคือร่างกายขันสีนี่อยู่ในจิตอยู่แล้วขันรูปเป็นขันที่ห้ามาเกาะติดกันแล้วพอร่างกายตายไปจิตก็จิต ก, ตก็กับขันสีนี่ก็แยกทางไปไปหารูปอันใหม่ไปเกาะใหม่จะได้มีขันห้าใหม่จะได้ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ต่อไปอ คำถามจากคุณจตุรนกราบนมัสการถามหลวงปู่ครับพระท่านฝากถามมาว่าเวลาภาวนาบางครั้งนิมิตเห็นพระพุทธรูปบางครั้งนิมิตเห็นเทวดาบางครั้งนิมิตเห็นพระสงฆ์มาถามว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิหรือนิพพานท่านถามอยู่หลายครั้งอยากถามหลวงปู่ว่าถ้าเกิดอีกควรตอบหรือภาวนาต่อครับอ๋ออย่าไปสนใจให้อยู่กับการภาวนา ไม่มีความสำคัญอะไรให้อยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทธโธไปอย่าหยุดถ้าหยุดแล้วเดี๋ยวมันจะมีสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นมามคำถามจากคุณสมาุน กราบถามพระอาจารย์ครับกรสินกับการนั่งสมาธิสามารถฝึกปฏิบัติควบคู่กันได้ไหมครับก็อันเดียวกันนะกะสินก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเช่นสีต่างๆสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวเราใช้แทนลมหายใจเราดูลมก็เป็นการเพ่งลมเ ร, เราดูสีก็เป็นการเพ่งกระสินเช่นเราอยากจะใช้สีขาวเราก็ให้มอง มองสีขาวไว้แล้วก็จำไว้ให้ดีแล้วก็หลับตาแล้วก็นึกถึงสีขาวให้สีขาวมันโผล่ขึ้นมาในใจแล้วก็เฝ้าดูที่สีขาวนั้นอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เหมือนดูลมนั่นเองกินก็คือกรรมฐานอย่างหนึ่งที่เหมือนกับลมหายใจเข้าออกหรือเหมือนกับพุโทโธอยู่ที่ว่าคนแต่ละคนมีความถนัดในทางด้านไหน บางคนถนัดในทางด้านจิ น, จนตนาการสามารถหลับตาแล้วจินตนาการเห็นสีขาวสีอะไรได้ก็ให้ใช้สีเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจให้ใจเข้าสู่ความสงบบางคนก็ ถนัดการดูลมก็ดูลมบางคนถนัดการบริกรรมก็บริกรรมอันนี้แต่ละคนมีนิสัยมีความถนัดไม่เหมือนกันกรรมฐานจึงมีไม่เหมือนกันมีสี่สิบชนิดด้วยกันกระสินสิบเนี่ยเขาเรียกมีกระสินสิบสีเขียวสีแดงสีอะไรแล้วก็มีดินน้ำนมไฟพวกนี้เป็นกระสินหมดหมดแล้ ว, ลวเหรออ่าดีหมดนล้วจะได้ปิดร้าน รงานข้างล่างที่นั่งอยู่นั้นมีอะไรจะถามไหมอ่าเข้าม า, ขมาก็ถามต่อแต่อยากจะถามว่าขึ้นมาข้างบนทางบันไดนี่กว่าง่ายกว่าเอ้ยมนทางนี้อถามไปก่อนคําถามจากคุณธัญรัตน์ลูกสาวเวลานอนแล้วมักจะบอกว่าขึ้นบนสวรรค์ไปพบพระอรหันต์หลายๆองค์บอกอชั่งลง บอกชื่อถูกทุกองค์ลูกอายุสิบขวบและได้สนทนาด้วยจิตมนุษย์สามารถขึ้นถึงขั้นนิพพานได้ไหมคะ อ, อต้องปฏิบัติกับชำระกิเลสถึงจะขึ้นถึงขั้นนิพพานได้หมดหรือยังคำถามโอเคถ้าอย่างนั้นก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต